เ, เมื่อวันที่11เดือนพฤศจิกายนพศ2510ณวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์มหาบัวยานะสัมปันโนนี่จะเริ่แสดงทามแต่มันล่าทันนะปฏิบัติ มารวมกันในสถานที่ม้วันแล้วกันมาจากที่ต่างๆทั้งที่ไกลแสนไกลนอกจา ก, น, าากนั้นยางต่างทั้งหวดมาด้วย เป็นนึ่งหดด้วยกันมีทิศที่คือความเห็นถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันนี่จะไกลแสนไกลก็มาได้ด้วยความเต็มอกเต็มใจเพื่อเนื่องจากมีความใคร่ต่อการศึกษาอบรม หลักปรัชนาเป็นหลักสําคัญยิ่งทั้งทางโลกและทางธรรมธรรมะทางโลกคือผู้ที่อยู่กองกระาวาสเยืเ่อเวลทางธรรมหมายถึงผู้ปฏิบัติเป็นเจ้านักบวชมมนว่าจะเป็นพระเป็นเนงเป็นชีตาประขาวแต่ว่าผู้ที่อยู่ในวงธรรมะล้วนๆนี่เรียวกว่าทางธรรม ทานทีเป็นกรรว่ามันว่าหญิงว่าชายไม่ว่าขาราศการนี่ปรนเรือนพ่อค้าประชาชนทั่วไปไม่ว่าทางโลกธรรมะมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้ปฏิบัติอยู่ภายในและผู้อยู่ข้างนอกแด้เะินนอกจากวัดวาอารวาสไปโดยมันนิยม ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชคือคาราวะธรรมะนม่ขี้ช่องบอกทางไม่โดยถูกต้องทั้งที่เป็นนักบวชจะเป็นนักบวชประเภทใดประเภทเ ท, ที่มีศีลแปดหรือศีลสิบหรือสองร้อยี่สิบเจ็ดก็ทรงแสดงไว้ตามเพศของนักบวชนั้นๆผู้ที่เป็นคาราวะ ต่รักษาอุโบสถตศีลนี้มีศีลห้านไม่ได้แต่รักษาเป็นประจำก็ต่ามหลักธรรมะก็ชี้่องบอกทางไว้ทุกแง่ทุกมุมธรรมะนี้ไม่จึงไม่มีความจำจึงไม่จาเป็นเฉพาะแต่นักบวชเท่านั้นแต่ยังมีความจำเป็น ขัวแดนแห่งพุทธบริษัทซึ่งนาปีกับพุทธศาสนาแม้ผู้มาเด็จมีความเข้าใจหรือมีความรู้สึกว่าตนได้ถือพระพุทธศาสนาก็ตามแต่หลักธรรมคือความจริงนั้นนั่นเป็นธรรมหลักธรรมในธรรมชาติผู้ที่ทําตัวให้ถูกตามหลักธรรมนั้นก็ชื่อว่า เป็นผู้มีธรรมเหมือนกันแต่การศึกษาตามหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั้นเป็นแบบฉบับที่ดีเยี่ยมนอกนั้นก็เป็นตึกยอดคำว่าธรรมะมีความจำเป็นและเกี่ยวข้องกับทั้งทางโลกและทางธรรมนั้นมีความหมายอย่างไรบ้าง โปรดทราบในวระต่อไปคำว่าเกี่ยวข้องทางโลกนั้นคำว่าโลกก็หมายถึงคนเราเป็นส่วนใหญ่โดยมากคนเราเป็นผู้มีอำนาจมากกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั้งอยู่ในน้ำและบนบกอำนาจของมนุษย์จะครอบพั่อพ่วไปหมดดันั้นธรรมะจึงสอนลงที่มนุษย์ผู้มีอำนาจมากแลคะความฉลาดรู้ลึกซึ่งมากกว่าบรรดาสัตว์ ผู้ที่จะทําให้โลกร่มเย็นก็คือมนุษย์จะทําให้โลกเดือดร้อนหรือคิบหายผลปี้ไปก็คือมนุษย์ดังนั้นหลักธรรมจึงมีความจําเป็นสําหรับมนุษย์ผู้ที่รู้จักดีชั่วบาปบุญเป็นโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องอยู่กับความเคลื่อนไหวการประพฤติปฏิบัติของโลกมนุษย์เราทั่วๆไปไม่ว่ารายใดทําการเคลื่อนไหว ไมาแต่นับประโยคประโยคแสดงถึงเรื่องหลักธรรมด้วยกันทั้งนั้นแต่เราไม่ทราบว่าหลักธรรมคืออะไรการกระทาของเรานั้นกระทาเป็นกลางกลางก็มีกระทาให้เป็นดีและชั่วก็มีการกระทาชั่วก็คือการผิดจากหลักธรรมไม่สมวนตนรักษาตนนี่ชื่อว่าดาเนินในทางที่ดการรักษาตนด้วยความชอบธรรม การกระทําทุกประโยคคําพูดทุกคําความคิดทุกวาระของกิจที่คิดขึ้นมามีการทดสอบพิจารณาในทราบชัดโดยแน่นอนแล้วว่าถูกต้องซึ่งควรจะทําและพูดและคิดออกไปแล้วทําพูดและคิดออกไปเชนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีหลักธรรมเป็นเครื่องรักษาตน เนะ้ชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนสมับว่าตนมีคุณค่ายิ่งกว่าสินใดในโลกผู้เช่นนี้แลคชื่อว่าผู้รักษาธรรมทำย่อมรักษาผู้เช่นนั้นมีธรรมมีความเกี่ยวข้องกับเราอย่างนี้แม้จะเป็นเด็กตั้งแต่เริ่มรู้จักเพียงสาภาวะมาพ่อแม่ต้องอบรมสั่งสอนก่อน คนอื่นๆทางนั้นการอารมณ์สั่งสอนนั้นต้องสั่งสอนในทางที่ดีที่ถูกความดีและความถูกนั้นคือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหรือหลักธรรมในหลักธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเป็นเด็กที่ชั่วก็เริ่มแสดงเป็นเด็กไม่ดีมาเป็นลำดับหนึ่งถ้าเป็นเด็กดีก็ คือความประพฤตินั้นเป็นเครื่องประกาศให้เราทราบว่าเด็กเป็นคนดีหรือไม่ดีมีความจำเป็นอย่างนี้ฉะนั้นการสอนเด็กจึงเป็นความจำเป็นที่ผู้ใหญ่จะต้องสอนในทางที่ถูกและให้เหตุผลโดยถูกต้องเพื่อเด็กจะได้ดำเนินตามหลักเหตุผลนั้นแล้วเป็นไปด้วยความราบรื่นนับแต่ปัจจุบันจนถึงอนาคตของเด็กถึงกับกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา และสั่งสอนคุณบุสุดทธาธ้ายภายหลังต่อไปอยู่ด้วยแบบพินที่ดีคือหลักธรรมนั้นเพราะฉะนั้นหลักธรรมะจึงมีความจําเป็นสาหรับมนุษย์เราที่จะหวังความเจริญให้สมกับว่ามนุษย์นี้เป็นผู้มีอำนาจฉลาดรู้ยิ่งกว่าสัตว์คือฉลาดตามหลักธรรมที่ทําโลกให้เย็นการประพฤติก็ เป็นไปในทางที่จะทำตนและบุคคลผู้อื่นตลอดทึงสัตว์โลกทัว่วไปให้รับความร่มเย็นทั่วหน้ากันธรรมะจึงเป็นของที่เย็นไม่มีสิ่งใดที่จะเทียบเสมอได้จะมีน้อยมีมากประจําอยู่ในผู้ใดผู้นั้นย่อมได้รับผลคือความร่มเย็นเป็นสุดตามฐานะแห่งการประพฤติปฏิบัติของตนต่อธรรมมีจํานวนเท่าไหร เป็นเด็กเปิดโตขึ้นมาก็ต้องมีธรรมะอีกประเภทหนึ่งสำหรับเป็นเครื่องรักษาคุ้มครองตนคือตนจะไปมาทางใดจะทำอะไรซึ่งอยู่ในพามะที่ตนจะไปจะมาหรือทำได้ก็ต้องมีการขบคิดเรื่องการกระทาของตนการไปการมาของตนทุกๆด้ได้ด้วยความเป็นธรรม จนมีความเคยกินต่อ น, นิสัยในการปายกันมาการพูดการคิดด้วยการสํานึกตนไว้ก่อนว่าถูกหรือผิดผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนก็กลายเป็นบุคคลที่มีความระมัดระวังและมีเหตุผลตลอดไปทุกสิ่งที่ทุกยิงทุกสิ่ ง, ท, งทุกอย่างที่ระบายออกมาจากกายวาจาใจนั้นจะเป็นไปด้วยธรรมเท่านั้นไม่ได้มี สิ่งที่ป้อมแปลงซึ่งจะทำให้เกิดความเดือดร้อนแจกตนไละส่านวนแฝงขึ้นมาเลยเมื่อ ก, กล้าเข้าสู่ความเป็นผู้มีครอบครัวคือมีสาผินมีภรรยาแล้วก็ต้องมีธรรมะอีกประเภทหนึ่งเป็นเครื่องปกครองในระหว่างสามีกับภรรยาคือในระหว่างตนกับภรรยาหรือระหว่างภรรยากับตน จะปฏิบัติต่อกันอย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นในการครองชีิตต่อกันมีกมีหลักธรรมประเภทซึ่งจะทำให้คู่ครองทั้งสองนั้นมีความมั่นใจและมีความอบอุ่นต่อกันโดยไม่มีความระแวงแท้งใจว่าฝายได้ไาหนึ่งจะประพฤติตัวนอกคู่นอกทางไป เมื่อต่างฝ่ายต่างมีธรรมะเป็นเครื่องปกครองอยู่ด้วยกันเช่นนั้นครอบครัวก็อบอุ่นมั่นคงเป็นสุขเมื่อมีลูกเกิดขึ้นมาก็ได้รับการอบรมจากพ่อแม่เพราะความประพฤติของพ่อแม่ทั้งสองนั้นเป็นแบบพิด้วยดีอยู่แล้วที่จะ ในรับประโยชน์จากเด็กผู้คอยจะรับการศึกษาจากพ่อแม่อยู่ทุกวาระโดยหลักธรรมชาติซึ่งไม่ต้องสอนก็ได้เด็กจะรู้เองสิ่งที่ควรจะสอนเราก็สอนสิ่งที่ไม่ควรสอนอยากเข้าใจว่าเด็กจะไม่เข้าใจกับความเคลื่อนไหวของพ่อแม่ทุกทุกระยะที่พ่อแม่เคลื่อนไหวจะเป็นทางความประพฤติทางใดก็ตาม คือทางกายทางวาจาตกลกอดตลอดอัธยาศัยที่แสดงออกมาจากน้ำใจเด็กก็ยอมทราบเช่นขณะที่เราแสดงความเมตตาสงสารแด่เด็กมีความรักเด็กที่ลูกของเราเด็กเขาก็รู้มีแสดงอาการลักษณะเหมือนจะกริว้วจะโกรธเด็กเด็กก็รู้แสดงอาการเสียดชังเด็กเด็กก็รู้ สิ่งที่จะทำให้เด็กรู้ก็คืออากัปทิริยาของเราที่แสดงออกมาจากภายในคือจากเมื่อเด็กได้รับการศึกษาอบรมอยู่ทุกๆระยะเนี่ยทำไมเด็กจะไม่มีอัตยาศัยใจคอให้ของตนเป็นไปตามพ่อแม่ซึ่งเป็นแบบพิมพ์ล้วต้องเป็นไปได้เป็นจานวนมาก นอกจากจะเป็นลักษณะของเด็กที่แหวกแนวเท่านั้นอันนี้จะมีอยู่บ้างแต่เียงจำนวนเล็กน้อยไม่ว่าจะปฏิบัติต่อหน้าที่การงานใดๆธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้ความเป็นธรรมให้ความเชื่อถือต่อกันได้ หรือให้ความเชื่อถือต่อตนเองได้ตนเองที่มีธรรมะเป็นเครื่องควบคุมปกครองหรือฝึกทรมานตนยอมเป็นผู้มีความแน่ใจตนเองอยู่เสมถ้ากเกี่ยวข้องกับสังคมก็ทำให้สังคมไว้อกไว้ใจธรรมะเข้าไปสู่ที่ไหนโลกมีความไว้วางใจและอบอุ่น ผู้มีธรรมะเข้าไปสู่ที่ใดก็ย่อมเป็นเช่นนั้นทามธรรมนาของธรรมะเป็นของกลางมีอยู่แต่บุคคลไม่สนใจก็ไม่รับประโยชน์อะไรจากธรรมะแต่เมื่อมีผู้นำสนใจนามาปฏิบัติก็ย่อมแสดงผลออกมาเริ่มตั้งแต่เหตุเป็นสิ่งที่สวยงามน่าดูน่าชมผลก็คือความพอใจ เป็นที่ไว้อกไว้ใจกันมาเนี่ยหลักธรรมะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยที่โลกจะไม่สนใจหรือเห็นว่าธรรมะเป็นอย่างหนึ่งเราเป็นอย่างธรรมะเป็นของคนอื่นส่วนโลกเป็นของเราอย่างนี้ชื่อว่าผู้นั้นเข้าใจผิดถ้าเราเห็นธรรมะเป็นอย่างหนึ่งจากเราเราเป็นหลังอย่างหนึ่งจากธรรมะ ไม่มีความจําเป็นต่อกันอย่างนั้นก็เท่ากับว่าเราคือคนไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยไม่มีสิ่งจาเป็นที่จะควรแสวงหาหรือสงวนไว้เพื่อเป็นสาระหรือสิริมงคลแก่ตัวเองคนนั้นก็คือคนไร้สาระแก่นสารคือคนไม่มีสิริมงคลภายในตัวเป็นคนที่ไว้ใจตัวเองไม่ได้เป็นคนหาหลักเกณฑ์อะไรไม่ได้ หมดคุณค่าคนเราถ้าจะซื้อจะขายกันตามธรรมนาแล้วเช่นเดียวกับสินค้าทั่วไปไม่มีอะไรที่ที่จะราคาด้อยกว่ามนุษย์หนังก็ขายไม่ได้กระดูกก็ขายไม่ได้เนื้ออวัยวะทุกส่วนในร่างกายนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นราคาพอจะได้อัดได้จะตัง แต่ที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งใดนั้นก็คือความประพฤติเป็นเครื่องประดับทำให้เกิดโอชาลดขึ้นมาในตนและผู้อื่นด้วยาการเป็นบุคคลที่มีคุณค่าขึ้นมาคนมีอำนาจวาสนาคือคนมีธรรมะมีความประพฤติดีไปไหนก็เย็นแม้จะแสดงอากับกิริยาเหมือนกับฝ้าร้องผ้าผาก็ตาม แต่ก็ในลักษณะที่ว่าถ้าฟ้าไม่ร้องบ้างฝนไม่ตกสถานที่ต่างๆตลอดทุกต้นไม้และเครื่องพาะปลูกต่างๆก็ไม่มีอะไรจะสวยงามสดชื่นเช่นเดียวกับหน้าแรงไม่ปรากฏเสียงฟ้าเลยฝนจึงไม่มีและพื้นที่ก็แห้งแล้งแต่หน้าฝนแล้วเราจะได้ยินเสียงฟ้ากระหึมเสมอ ผลก็ย่มตกมามบ่อยๆและทำให้สถานที่พืผลต่างๆสดชื่นและได้ผลเป็นที่พื้นพอใจเช่นชาลาเป็นต้นคนที่มีธรรมะไม่ว่าจะแสดงออกในอากับกิริยารักษณะใดย่อมไม่ห่างจากธรรมะ มีธรรมะประจำอยู่สมเนี่ยคนเรามีคุณค่าเพราะความประพฤติมันมีคุณค่าด้วยเมื่อหนังเอ็นกระดูกเหมือนอย่างผักปลาทั้งหลายแต่มีคุณค่าเพราะความประพฤติคนเราถ้าจะทําตัวให้มีคุณค่าก็ต้องสร้งหวนตนเฉพาะอย่างยิ่งเช่นเราเป็นนักบวชนี่จัดว่าเป็นผู้มีคุณค่ายิ่งวันหนึ่งวันหนึ่ง สั่งสมคุณค่าของตนไว้ด้วยการประพฤติตัวการระมัดระวังรักษาตัวเสมอไม่เหินห่างจากคุณธรรมคือความสังรวมระวงังตนจากสิ่งที่ผิดและมีความมุ่งมั่นต่อสิ่งที่ถูกและสั่งสมสิ่งที่ถูกขึ้นให้มีเป็นมากหมายขึ้นภายในตนจึงกลายเป็นผู้มีคุณค่าขึ้นมาเป็นลำ น, นับเช่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้น มุ่งต้นพระพุทธจเจ้าแม้จะเป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์เสมอกันกับกษัตริย์ทั้งหลายคือเป็นบุคคลประเภทกษัตริย์เท่านั้นถ้าพูดถึงเรามีคุณค่าก็เพียงขั้นกษัตริย์แต่ยังไม่มีคุณค่าที่โลกทั้งสามจะกราบไหวบูชานะเหมือนพระพุทธเจา้าเมื่อพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ด้วยความดีจน เป็นที่พอพระไทยกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาทั้งภายในใจก็บริสุทธิ์พระกายก็เป็นพระกายของพระพุทธเจ้าขึ้นมาพร้อมๆกันโลกทั้งหลายก็กลาวว่าการมาโลกรู ป, ประโลกอรู ป, ประโลกที่ว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังซึ่งเราก็ตรวจยุ่ทุกวัด เป็นครูของเทวดาทั้งหลายอะไรเป็นครูก็คือความดีความสิ่งที่มีคุณค่าของพระองค์ในพระองค์นั่นแหละมาเป็นครูของโลกตามธรรมดาของพระอาการทั้งหลายก็เช่นเดียวกับร่างกายของพวกเราไม่มีอะไรผิดแปลกกันเพราะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันแต่สิ่งที่มีสง่าราศีและมีคุณค่ามากก็คือความประพฤติดีของพระองค์ จนสามารถทําพระองค์ให้บริสุทธิ์ผุดจากปุถุชนขึ้นมากลายเป็นพระพุทธเจ้าร่างกายที่เป็นกายปุถุชนก็กลายก็กลายมาเป็นพระกายของพระพุทธเจ้าไปตามพระทัยที่บริสุทธิ์ทั้งหมดนั่นแหละที่เรียกวิโลกสัตตะเทวมรุษานป ร, รากฏพระองค์ขึ้นมาเป็นสัจจะดาของโลกนี่เธอได้และมนุษย์ทุกชั้น คนเรามีคุณค่าเพราะความประพฤติถ้าจะทําให้เหลวแหลกไปก็มนุษย์นี้เลี้ยวแหลกยิ่งกว่าสัตว์ก็ได้สัตว์ทําความชั่วมนุษย์ยังไม่ควยสะดุดใจไม่ค่อยจะสนใจเท่าไรนะักแต่คนที่ทําความชั่นีเป็นสิ่งที่สะดุดใจยิ่งเป็นคนที่รู้มีความรู้ความฉลาด ฐานะสูงด้วยความรู้ความฉลาดก็สูงด้วยเพราะได้เรียนมามากไปทำความผิดไแล้วนี่ยิงกระเทือนโลกไปเลยเราเคยเห็นประกาศในหนังสือพิมพ์ส ม, มอุไม่ใช่เลยนดูเอาอ ย, อย่างนั้นมนุษย์ทั่วๆไปไม่เห็นเขาประกาศขนาดนั้นแล้วสัตว์ดีฉันทาที่ไหนๆมันก็ทำเหมือนกันทำชั่วโดยไม่รู้ภาษาไม่มีใครสนใจเขาให้อภัยเพราะมันเป็นสัต์ แต่มนุษย์นี่ถ้าทำตัวให้ต่ำเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาประกาศลั่นโลกไปหมดถ้าดีก็ประกาศลั่นโลกเช่นเดียวกันเนี่ยมนุษย์จึงเป็นจุดสำคัญซึ่งควรจะสำ น, นึกตัวว่ามนุษย์นี่คือใครถ้าไม่ใช่เราแล้วคือใครก็คือเราคนหนึ่งถ้าจะนับต้องนับจากเรานี้เป็นคนที่หนึ่งข้างนอกออกไปก็เป็นสองเป็นสามเรื่อยไป ความรักความสงวนก็เราก็เป็นเบอร์หนึ่งอีกเช่นเดียวกันไม่มีสิ่งใดที่จะรักมากยิ่งกว่ารักตัวของเราความรักนี้เราจะทำอย่างไรจึงจะทำให้มีความเจริญและเป็นสาระแก่สารขึ้นมาในตัวของเราสมก็ว่าเราเรานิรักลัานอกจากความประพฤติดีต่อตนเองการสงวนรักษาตนโดยทางที่ดีนี่ไม่มีสิ่งใดที่จะ เป็นความสมหวังสำหรับบุคคลผู้รักตนตรวจราบไว้คำว่ารักตนก็มีหลายชั้นนักตนสาหรับท่านนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วยิ่งเป็นความรักชั้นสูงพยายามบำเพ็ญตนด้วยข้อวัดปฏิปฏบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้นี่แหละ คือผู้รักตน อ, อยู่ที่ไหนไม่ปราศจากชาติถ้ามีความสำนึกรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเราคือผู้หนึ่งที่เป็นนักบวชและเป็นความรักตนสงวนตนจะพยายามกรอบคุความดีทั้งหลายเข้ามา ส่งเสริมจิตใจซึ่งเป็นรากฐานเนี่ยคำว่าเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในความรู้ความดยความรู้ความฉลาดจนสามารถถอดถอนสิ่งที่เป็นค่าศึกอันหาคุณค่าไม่นด้ภายในจิตใจนี้ให้ออกไปเป็นชั้นชั้นจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจนี่แหละชื่อว่าเป็นผู้พระเสริฐ ร่างกายจะเป็นเหมือนมนุษย์ทั่วๆไปก็ต่างแม้สกุลจะต่ำก็ต่าชื่อจะไม่สวยงามไพเราะก็ตางรูปร่างร่างตัวจะไม่สดสวยงดงามก็ต่างฐานะจะเป็นฐานะจนๆก็ต่าแต่สิ่งที่ไม่จนสิ่งที่ผ่านพ้นจากความติชมของโลกทั่วๆไปคือใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีใครจะประทำนิว่าเป็นคนคนจนคนฐานะต่ำนั่ในกิจที่บริสุทธ์บวงนั้นนอกจากเขาจะมาตำนิภายนอกนี้เท่านั้นนี่แนะการทำตัวให้มีคุณค่าต้องพยายามอย่ามองข้ามตนไปที่ไหนให้เป็นผู้มีความสั้งรวมระหว่างอย่าฟุ่งเฟอเหอือเหอิมอย่าลืมตน ธรรมะไม่ใช่สอนให้คนลืมตนคนที่ลืมตนไม่ใช่คนมีธรรมะคนมีธรรมะย่อมไม่ลืมทำตัวให้เสมอภาคกับสิ่งทั้งหลายทั่วๆไปมีมากก็ไม่ตื่นเต้นเฮอกเมีน้อยก็ไม่เสียใจ อดบ้างอิ่มบ้างถือว่าเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติต่อหน้าที่การงานย่อมมีความลำบากเพราะการอดการอิ่มเป็นธรรมดาโลกก็ย่อมมีอดมีอิ่มย่อมมีมากบ้างน้อยบ้างเช่นเดียวกับผู้ที่อยู่ในาศาสนาต้องบึกบึนเข่นแข็ง หลักธรรมทุกบททุกบาทไม่เคยสอนให้คนย่อหย่อนต่อหน้าที่การงานที่ชอบแต่เพาะอย่างยิ่งคือหน้าที่การงานสำหรับความพ้นทุกผู้มุ่งความพ้นทุกต้องเป็นผู้เข้มแข็งไม่ทอดทอนกิริยาที่แสดงออกทุกด้านให้โลกได้ถือเป็นคติตัวอย่างได้จะสมกับว่า เราได้ทรงศาสนาซึ่งเป็นศาสนาตัวอย่างหรือที่เรียกว่าหลักธรรมตัวอย่างของโลกอย่าให้โลกได้ดูถูกการจะปิดกั้นโลกไม่ให้ดูถูกนั้นต้องปิดกั้นด้วยวิธีปรับพฤติตัวให้ดีแต่อย่าทำเร็วซามแล้วปิดกั้นโลก ไม่ให้ตําหนิการกระทําตัวไม่ดีนั้นแหละเป็นการเปิดทางให้โลกตําหนิแต่การกระทําตัวให้ดีนั้นแม้จะปิดไม่ให้โลกชมเชยก็ย่อมชมเชยเพราะใครก็รู้ของดีแม้เขาจะไม่มีความดีพอไม่มีความฉนาดพอแต่เขาเห็นคนดีก็อยากจะชมเชยและกราบว่า เช่นเดียวกับเราที่เดินผ่านไปตามห้างร้านต่างๆแม้จะเป็นคนจนแขนจนแต่สิ่งใดที่มีอยู่ในวัตถุสินค้าต่างๆซึ่งมีอยู่ในห้างร้านนั้นๆพอมองเห็นเข้าไปย่อมทราบวันนั้นเป็นของดีนี่เป็นของไม่ดีนี่ก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันร่างบวตเรา จะพูดถึงเรื่องความลำบากพอามลำบากถ้าพูดถึงเรื่องความสะดวกก็สะดวกไม่มีผู้ใดจะสะดวกเท่านักบวชพูดถึงเรื่องความลำบากก็เช่นกันคือไม่มีใครจะพยายามฝึกฝนอบรมตนเองนึกทรมานตนเองแบบทรห็อดทนเหมือนกับพูดตั้งใจจะ ปฏิบัติตนให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าผู้ดำมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติเพื่อให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี้ยคือว่าเป็นผู้ทรหดอดทนจริงๆไม่ย่อท้อทั้งนั้นชื่อว่าสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนในส่วนรวมได้ไม่ถอยหลังทําเอาอย่างจริงจังมีทาวารลาบากกาลาบาก ทว่าสะดวกสบายก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องกดขี่บังคับสถานาการณ์บ้านเมืองเข้าให้มาเกี่ยวข้องเมี่ยจะยุ่งเหยิงบุบวายเป็นยังไงก็เขากัว่ากันไปตามเรื่องของทางบ้านทางบ้านไม่ได้เกี่ยวกับพระสงฆ์ให้รับความเดือดร้อนไปตางนี่คือว่าความสะดวกอาหารปัจจัยทุกชิ้น ยอมเป็นมาด้วยความสะดวกสบายไม่ต้องซื้อเหมือนอย่างคารวาาับเีาเรียกว่าเป็นความสะดวกสบายไม่มีใครมากดขี่บังคับจิตใจแม้แต่กฎหมายก็ยังให้อภัยเพราะหลักธรรมนัยมีความละเอียดยิ่งกว่ากฎหมายด้วยแล้วผู้ตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมนัยแล้วเป็นผู้ที่ควรชมคุณ เคารพ บ, บูชาใครจึงไม่กล้ามาแตะต้องเพราะความเคารพเรื่มสายผู้เช่นนั้นแต่ผู้ทำตนให้เน้นเหมือนอย่างมูดขูดนั่นไม่ว่าใครก็ต้องตำหนิ เนี่ที่บายเป็นส่วนรวมเกี่ยวกับเรื่องศาสนาย่นเข้าขมาเฉพาะคือเรื่องของเราแต่ละท่านละท่านโปรดได้ทำความสนใจในตนทุกระยะระยะด้วยความภาคเพียรที่เคยสอนมาแล้วก็เป็นเรื่องของ อุบายวิธีที่ทจะทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นทท้งนั้นไม่มีอุบายใดที่จะสอนจิตใจของผู้มาอบรมศึกษาให้ฟุ้งซ่านหรือเดือดร้อนไปควรจะพอถึงใจแล้วและนำไปปฏิบัติแก่ตนเองผลก็ควรจะได้ปรากฏเป็นลำดับไปการปล่อยจิตไปตามกระแสของ ความอยากนั้นมีผลอย่างไรการเพื่อขัดดัดแปลงจิตใจให้เป็นไปตามหลักธรรมทั้งทๆที่เป็นความลำบากปรากฏดผลอย่างไรก็ควรจะทราบแล้วจากท่านนักปฏิบัติและทั้งเก็บตรตนเองใจที่รเหเรร่รอนยุ่งไปตามเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เรียกว่าอารมณ์ มีมตลอดเวลาจนฝังใจเราจะหาความสุขแต่ที่ไหนไม่มีคนที่มีอารมณ์มากคือคนทุกข์มากมากยิ่งกว่านั้นก็เสียสติไม่ใช่เป็นของดีการสงบอารมณ์เข้าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เข้ามาสู่ภายในเป็นความชอบพระพุทธเจ้าทรงสันเสริญ ยิงให้นามว่าสมาธิคือความสงบใจถ้าใจสงบแล้วสมายเท่านั้นแหละคนเราม่ได้ขึ้นอยู่กับความโง่ความฉลาดความมั่งมีสีสุขความจนอันไรถ้าผูกถึงเรื่องของจิตซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของโลกแล้วจิตสงบสมายเท่านั้นเป็นสุขขึ้นมาทันทีโดยไม่ต้องหาอะไรมาเสริม จะเอาความโู่ความฉลาดมาเสริมก็ไม่ใช่จะเอาความมั่งมีความจนมาเสริมก็ไม่ใช่เพราะจิตไม่ต้องการสิ่งใดมากดขี่และส่งเสริมนอกจากตัวของตัวปฏิบัติตนให้ถูกต้องแล้วตั้งตนได้หรือว่าเป็นตนของตนขึ้นมาได้เป็นชั้นๆเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นความจำเป็นที่จะต้องนำมาเสริมจิต ีเราพูดถึงหลักของจิตที่เป็นตนของตนโดยเฉพาะพแต่อุบายวิธีที่จะเพื่อความขยืบขึ้นข้างหน้าของจิตนั้นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาอุบายเป็นเครื่องประกอบที่เรียกว่าความเพียรการเพียร น, นี้ก็เพียรเพื่อให้ ปลอยสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายทั้งนั้นตามหลักธรรมชาติของจิตเองแล้วจะไม่ปลอมอุบายวิธีต่างๆนี่ก็เพื่อซักฟอกสิ่งที่ปลอมแปลงนั้นให้ออกจา ก, กจิตให้หมดที่ท่านเรียกว่าชติหรือปัญญาไม่ใช่จะเอาอะไรเข้ามาเสริมจิตแต่เป็นอุบายเครื่องช่วยแก้ไขออกโลกทั้งหลายก็เรียกว่าเสริมจิตเท่านั้น ความเพียงจิตมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวแล้วไม่มีอะไรบกพร่องในความรู้แต่เพราะความรู้อันนั้นมันมีสิ่งที่แฝงจึงทำให้เอนไปทางผิดทางถูกทางเพลิดเพลินโศกเศร้าเป็นธรรมดามีท่านเรียกว่าสิ่งที่แฝงเมื่อมีสติปัญญาซึ่งก็เป็นทำแฝงอันหนึ่งเหมือนกัน เข้าไปแก้ไขสิ่งที่แฝงใ น, นฝ่ายต่ำให้หมดไปเป็นชั้นๆจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงธรรมชาติของจิตนั้นเป็นจิตบริสุทธิ์ล้วนก็ไม่จำเป็นอะไรกับศีลกับสมาธิกับปัญญากับกิเลสบาป ท, ทาอะไรอีกเหมือนกันคือทั้งฝ่ายตำ่ำฝ่ายสูงหรือเรียกว่าทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วไม่มีอะไรจาเป็นสาหรับจิตที่ดวงที่บริสุทธิ์แล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งๆแล้ว่าจิตในหลักธรรมชาติจริงๆแล้วไม่มีอะไรบกคล้องที่เราเรียกว่าบกคล้องบกคล้องนั้นก็คือสิ่งที่ปลอมแปลงมันแฝงอยู่กับจิตนั้นแหละจะพยายามแก้ไขสิ่งที่อุบายวิธีที่เราจะพยายามแก้ไขแก้ไขนี้กําลังไม่เพียงพอกันกับฝ่ายต่ําเรียกว่าบกคล้องส่วนนั่นก็มีจํานวนมากเลยทับจิตจใจมาให้เป็นตนของตนโดยสมบูรณ์ คนเราจรึงเป็นดุ่มดุ่มดน ด, นดนเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวโกรธเดีเ๋ยวเกลียดอเดีเ๋ยวเพลิดเพลินเดีเ๋ยวโศกเศร้ามีแต่สิ่งที่ปลอมแปลงนี้ทั้งนั้นไปทําให้แสดงอาการต่างๆธรรมชาติของจิตจริงๆแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องแสดงนอกจากความพอตัวอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะเป็นจิตแท้โกรธทางนั้นเข้าใจทําจิตให้เป็นธรรมชาติอย่างนั้นลองดู ทำนี้จะถูกหรือผิดท่านทั้งหลายจะประทับใจเองตายแล้วท่านทั้งหลายจะกราบพระพุทธเจ้าไม่หยุดพระพุทธเจ้านิพพานแล้วท่านทั้งหลายจะกราบหรือครูอาจารย์ลงใดที่ท่านพูดอย่างนั้นเป็นความจริ ง, งหรือไม่ให้ปฏิบัติลองดูเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วท่านทั้งหลายจะกราบแม่ท่านตายแล้วกว็ต้องกราบเพราะหลักความจริงเป็นอเดียวกันไม่มีสิ่งใดที่จะแตกต่างกันไปชื่อว่าจิตแล้วมีหมายถึงจิตที่เป็นจิตล้วน เราจะหาที่ไหนขีดร้วนๆถ้าไม่หาอยู่กับขิดรวงที่กำลังโงก ข, ขาบอปัญญาเวลาน้ด้วยอุบายวิธีต่างๆซึ่งท่านสอนไว้โดยลำดับเข้ามาแก้ไขดัดแปลงกันตัวสิ่งที่แทรกซึมทั้งหลายนั้นจะได้ขา ย, ยาบขยายตัวออกไปด้วยอำนาจแห่งหลักธรรมที่ดีเข้าไปแก้ไขนี่พูดถึงเรื่อง ความสำคัญของคนเราคนผู้หนึ่งหนึ่งจะพ่ออย่างยิ่งคือนะักปฏิบัติมีความสำคัญอยู่ที่นี่ตัวได้ทำธรรมชาติอันนี้ให้มีความพ่องสายขึ้นเป็นขั้นขั้ น, นด้วยอุบายต่างๆของตนตามแต่กาลังที่จะทำได้แค่ไหนในวันหนึ่งวันหนึ่งย่าได้ลดละจนสามารถซักฟอกสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายออกได้ทั้ง ส่วนยหา่ส่วนกลางชวนละเอียดสุดท่านเรียกว่าจิตถึงมดุดถึงอะไรก็หมายถึงปราศจากสิ่งที่แทรกซึมนั่นแหละหรือสิ่งที่แทรกซึมได้สลายตัวออกไปหมดเพราะอำนาจหอุบายวิธีของตนในทางฝ่ายดีหรือจะเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาก็น่าจะเรียกว่าทานศีลภาวนาก็น่้ เหล่านี้เป็นเครื่องมือแก้ทุกหรือเป็นเครื่องมือแก้สิ่งมปลอมทั้งหลายหรือเป็นเครื่องมือสนับซากฟอกสิ่งปลอมแปลงทั้งหลายให้ออกไปก็เรียกมีท่านเรียกว่ารีโมทคือผ่านพ้นกันได้ไม่ไดข้ข้าวกันอยู่เหมือนอย่างที่เคยเป็นมา ท่านเรียกยิมูดมาหลุดพ้นไบเสียทีนี้เราจะเรียกว่าจิตล้วนล้วนก็ได้จิตไม่ปลอมแปลเรียกว่าจิตที่สมบูรณ์แท้หรือจิตที่สมบูรณ์แบบก็ได้ไม่มีสิ่งใดจะมาเสริมให้ยิ่งกว่านั้นและไม่มีสิ่งใดจะมากดขี่ให้ เปลี่ยนอาการไปดังที่เราเคยเห็นในตัวของเราในจิตของเราเองอเป็นจิตที่เสมอพอตัวเราจะหาของอิเศษภายในตัวของเราเราต้องทำให้ถึงเหตุถึงผลกัน พยายามทำห ย, ยิบหยิบวางๆางับจัดจดทาอะไรไม่จินไม่จังินงนี่เคราะหแค้นนั่นไม่ใช่หลักศาสนาแต่เป็นเครื่องเหยียบย่ําตนเองและให้เขาดูถูกบอกคนปฏิบัติศาสนาทําไมจึงเป็นคนประเภทนี้ศาสนาก็พลอยมัวหมองไปด้วยทั้งที่ทศาสนาเป็นของเบอร์สุดยิ่ง พระพุทธเจ้าสาวกเป็นผู้พระสดจริงแต่ผู้เอาแบบฉบับของท่านมาชา้กลายเป็นคนปลอมไปเสียเลยทำให้สิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นของดีมัวหมองไปด้วยนีไม่สมควร เราได้ยินแต่ข่าวท่านพระพุทธเจ้าตรัสรู้อยูที่นั่นสาวกอ ง, งน์นั้นตรัสรู้อยู่ที่นั่นนั้นและท่านปฏิบัติอย่างไรท่านนั่นคือเหตุของท่านท่านจึงได้ตรัสรู้อย่างนั้นควรจะนำทั้งสองคือทั้งเหตุทั้งผลของท่านเข้ามาประชิดกับกิจของตนฟิตตัวของเราขึ้นโดยวิธีต่างๆ ตามนัยะที่ท่านได้ดำเนินและสอนไว้แล้วเราจะเป็นผู้ไม่เหินหา่างจากความศักดิ์สิทธิ์ยิ่ษอันจะมีขึ้นภายในจิตในวาระใดาวาระหนึ่งแน่นอนถ้าข้อปฏิบัติของเราเป็นไปตามหลักธรรมของลูยเจ้าที่สอนมาไม่ผิดพลาดผลจะเป็นอันเดียวกัน ธรรมะพระพุทธเจ้าและสาวกถึงไหนเราจะทราบความถึงของพระพุทธเจ้าและสาวกโดยความถึงของเราเองพระพุทธเจ้าสาวกกับเราที่เป็นใจบริสุทธิ์อันเดียวเช่นเดียวเหมือนกันเช่นเดียวกันแล้วจะไม่มีอะไรสงสัยกันแม้ท่านจะนิพพานไปเวลานานเท่าไหร่บรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกนั่นเป็นเพียงธาตุขันธ์ที่สลายตัวออกไปเท่านั้น และนั่นคือเรื่องของสมมติต่างหากไม่ใช่วิมุตตหลุดพ้นคือความบริสุทธิ์ใจนี้ธรรมชาตินี้จะไม่มีอะไรที่จะเป็นเหตุให้ริดตุกิจันตามพระพุทธเจ้าที่ในคำที่ว่านิพพานและสาวกในคาที่ว่านิพพานเราจะทราบในหลักธรรมชาติอันเดียวกันภายในตัวของเราคือภายในใจ เมื่อเด็กเช่นนั้นพระพุทธเจ้าเหินห่างไหมที่ว่าได้ตรัสรู้อยู่อินเดียหรือนิพพานออินเดียเหินห่างไหมสวัสดิธรรมท่านทรงสอนไว้ว่าอย่างไรอะไรเหินห่างคำว่าธาตุขันก็ได้ทราบแล้วสลายไปคำว่าข้อปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติอย่างไรสามกปฏิบัติอย่างไร คับสวกขาธรรมที่ตรัสไว้นี้เป็นอื่นจากกันหรือเป็นอันเดียวกันนี่เมื่อเป็นอย่างนั้นอะไรจะเหินหา่างใครเป็นผู้สำนักและศึกษาเราเรียนตลอดถึงการอบรมและปฏิบัติอยู่ในเวลานี้ถ้าไม่ใช่เราผู้เป็นลูกศิษยาสาโคตจะเป็นใครเมื่อเป็นอย่างนั้นเหินห่างที่ไหนถ้าเราตั้งใจทําให้จริงทั้งผลที่จะพึงปรากฏเช่นพระพุท ธ, ธเจ้าปรากฏจะเหินห่าง ก, กันที่ไหนจากเหตุหรอก เหตุอยู่ที่ไหนผลจะแสดงตัวขึ้นมาในจุดแห่งเหตุคําว่าศีลสมาธิปัญญาใครเป็นผู้ทรงอยู่เวลานี้และใครจะพยายามทรงให้ยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับๆภายในกาวยวาจาใจของตนถ้าไม่ใช่เราผู้เป็นนักปฏิบัตินี่แล้วไม่มีใครจะสามารถในตรงนี้ว่าท่านสํานึกตัวหรือไม่ตอนนี้นศีลสมาธิปัญญาจะเป็นสมบัติของใครถ้าไม่ใช่สมบัติของนักบวชและนักปฏิบัติ ที่กล้าตายตามเสด็จพระพุทธเจ้าเี ย, เยลูกศิษสถาก ต, ต้องมองดูร่องรอยที่สถากยียบทรงเหยียบไว้เหยียบไว่หวังพุทธังธรรมงสัณฐานะ น, นาามีมีความหมายว่าอย่างไรเราที่เป็นลูกศิษย์ของทัศ พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราได้พิจารณาของเราว่าอย่างไรบ้างเวลาได้สำนึกตัวอย่างไรบ้างพี่จะเห็นว่าที่นั่นสะดวกที่นี่ไม่สบายอย่างนั้นสิ่งทอากาศดีไม่ดีความประพฤติปฏิบัติของเราเวลานี้ดีหรือไม่ดียิ่งยอนหรือหรือเป็นยังไงนั่นเป็นจุดที่สำคัญ ซึ่งเราจะสนใจอย่างทิงเหล่านั้นเราเป็นคนขอทานเราเป็นผู้ที่เรียนให้รู้ตามสภาพของโลกทั่ ว, วไปทั้งความเจริญและความเสื่อมทั้งดีหรือชั่วซึ่งมีอยู่ทั่วๆไปในโลกให้รู้รอบขอบทัวถึงไม่ตื่นเต้น ไม่ใช่เรียนแบบแล้วเรียนรู้เรื่องความเคลื่อนไหวของตัวเสมอแต่เอ็นไปทางทางไหนผิดหรือถูกคอยสังเกตตัวอยู่เสมอสะดวกหรือฝืดเครืองภายใน จ, ใจิตใจไม่ต้องหมายถึงเรื่องธาตขันสะดวกและฝืดเครืองจิตใจรับความสะดวกหรือฝืดเครืองอย่างไรถ้าฝืดเครืองฝืดเครืองเพราะอะไรนั่นตามเหตุเข้าไป ถ้าสะดวกได้สะดวกเพราะอะไรตามเหตุเข้าไปตามตามผลที่เข้าไปให้หาเหตุมีเหตุเป็นแดานเกิดทุกอย่างอยากเข้าใจว่าไม่มีพ่อมีแม่คือตัวเหตุเป็นแดานเกิดการศึกษามันศึกษาในเหตุไม่มีทางอื่นที่จะแสดงผลขึ้นมาถ้าปรับปรุงเหตุให้ดีแล้วผลจะเป็นขึ้นมาเองโดยไม่ต้องไปหาเรียกร้องที่ไหน ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ท่านสอนไว้ไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือไปจากตัวของเราซึ่งกําลังนั่งเฝ้ากันอยู่เวลานี้อะไรที่เรานั่งเฝ้าอยู่นวลาอา้าวยกสติปัฏฐานสีขึ้นมากายจกราสติท่านสอนว่าให้พิจารณากายกายของเรามีอยู่หรือไม่อยู่เวลานี้นั่นอาการทุกส่วนของร่างกายที่มองเห็นกันอยู่นี้ทั้งท่านและเรานี่แหละท่านญาวากาย กายักตาสติตั้งสติให้ดาเนินตามเรื่องของกายและตามหลักธรรมชาติของกายจริงอย่าเอาเรื่องอะไรมาแฝงเช่นความสวยงามความมั่นคงเหล่านี้เป็นต้นเป็นของที่แฝงเท่านั้นความถูกต้องจริงๆตามหลักกายยักตาแล้วไม่มีสิ่งใดเป็นของสวยงามตามหลักธรรมชาติของมันเราก็มองเห็นแล้วข้างนอกตัวเราก็เห็นข้างในตัวของเราก็รู้ ที่แสดงออกมาจากร่างกายนี้มีส่วนใดที่เป็นของสะอาดแต่เป็นของหอมหวนชวนให้ดมชวนให้รักชวนให้กำนัดงใจดีมีอะไรบ้างทุกส่วนในร่างกายนี้ไม่ว่าข้างบนข้างล่างรอบทั้งตัวนี้มีแต่เรื่องที่ไม่น่าพึงปราถนาเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องชาดล้างกันทุกวันทุกวั น, วนสิ่งที่มาหุ้มหอ่อคือชสบงกีบอนหรือเสือ้อผ้าอะไรก็แล้วแต่ต้องได้ซักได้ลอกไปกันตามกันเพราะธรรมชาติอันนี้แสดงฤทธิ์ออกมา นี่เราก็พอจะทราบว่ากะหลักการและก็ตาเป็นอย่างไรบ้างพุที่เ่าให้สารสอนให้พิจารณาอย่างนี้อื ม, มีสติพิจารณากําหนดไปตามเรื่องของความจริงของมันมันเป็นอย่างนั้นเราจะหาเรื่องมาเสกมันสวยมันงามมันมั่นคงมันเป็นเราอะไรเป็นเรากดูกนั่นหรือเป็นเรากระดูกก็ยังบอกแล้วว่ากระดูกจะเป็นเราอะไรหนังก็ยังบอกว่าชัดๆแล้วว่าหนังเนื้อเองกระดูกทุกสื่อทุกส่วนมันมีชื่ออยู่แล้วอย่านํามาว่าเป็นเรา โดยหลักความยึดมั่นถือมั่นโดยความสําคัญจะเป็นการผิดในหลักกายะคตาเป็นเรื่องดืมตนถ้าลืมตนแล้วมันก็คอบกรัวแต่ทุกข์ขึ้นมาแบกภูเขาทั้งลูกไม่หนักเท่ากันแบกอุปทานคือความถือกายว่าเราเป็นของเราอเป็นของสวยขางงามนี่นะโปรดทางเข้าใจภูเขาอยู่เฉพาะภูเขาไม่มีการกดทวงใใจิตใจรับความเดือดร้อนบุญไว้ดื้อหนักจริงๆเหมือนอย่างอุปทานของตัวที่สงวนในทางไม่ถูก ส่งเสริมทุกขึ้นมาท่านมีกําลังมากทับจิตใจเดือดร้อนทั้งวันทั้งคืนนี่ยกายคตาสติเวทนาแสดงอยู่หรือไม่เวลานี้ความทุกข์มีอะไรบกพร่องในสติปัฏฐานสี่กายยัคตาสิจิตจิตมันคิดว่ายัางไงทู้ผวันคิดนี่แลเป็นเรื่องตัวสมุทัยอย่างใหญ่โตมันคิดปรุงมันแต่งอยู่แล้วได้สังเกตดูหรือไม่เพราะอใช่เป็นจิตตานุปัฏฐนาธรรมานุปัฏฐนารวมทั้งหมด กายเวทนาจิตทำทั้งส่วนหยาดส่วนกลางส่วนละเอียดของจิตที่คิดเป็นธรรมะทั้งนั้นรวมอยู่ด้วยกันมีอะไรบกพร่องในในสติปัฏฐานสี่พอจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนผิดแล้วการสอนนั้นสอนห่างจากเรื่องของพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติและทรงรู้เห็นไม่มีสิ่งใดที่จะผิดแปลกจากพระพุทธเจ้าทรงดาเนินและสาวกดาเนินมา นำเนินมาอย่างนี้เราปฏิบัติตามแบบนี้แล้วจะเป็นแบบอื่นมาจากที่ไหนในส่วนผลต้องเป็นแบบเดียวกันนอกจา ก, รา เ, กเราจะเสกสรรเรานอกครูนอกทางที่องค์ท่านทรงห้ามมายายาเท่านั้นแต่ตนกลับว่าเป็นของดีฝืนแล้วก็เป็นทุกข์ขึ้นมาขอให้พานทำความเข้าใจในเรื่องทำทุกข์ปวทุกข์บาปสอนอยู่ในเราที้ทั้งหมดสอนเราเท่านั้นไม่ได้สอนอะไรสอนไข กำหนดดูให้เห็นแต่ทาความรู้สึกตัวอยู่อย่างนี้แหละมีความมั่นใจอยู่ว่าเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนหลังที่กล่าวมาเมื่อตะกินใจจะเย็นสาบายเห็นข้างนอกก็ไม่ตื่นเต้นเพรเห็นข้างในตามหลักธรรมชาติที่พระองค์ท่านสอนไว้คือเห็นโดยถูกต้องเห็นข้างนอกก็เห็นถูกเมื่อเห็นถูกแล้วก็ไม่เป็นพิด ไม่ทำให้ดีใจเสียใจไม่ทำให้รักให้ชังไม่ทำให้ฟุ้งเฟอ้อเห่อเฮิมเป็นจิตที่สงบเยือเกเยน็นเห็นตามความจริงแลใจก็สบายเพียงเท่านี้สาาบายิ่งจะรู้เรื่องของเวทนาของจิตที่คิดไปในส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดถึงรู้เหตุลู้ผลกันได้โดยชัดเจนตลอดถึงหลากฐานอันเป็นสถานที่เกิดขึ้น ของเรานีสิ่งของสิ่งเหล่านี้ได้โดยชัดเจนถอนขึ้นให้หมดไม่มีสิ่งใดเหลือน่ะอุปทานของกายก็หมดเวทนาก็หมดอุปทานในจิตก็หมดอุปทานในธรรมก็สิ้นไม่ได้ปรากฏว่าตนได้ถืออะไรอยู่เวลานี้แต่ก็ไม่ได้ปราทจากอะไรในเวลาในขณะเดียวกันน่ะความบริสุดนั่นแหละคือธรรมทั้งแ่งก็ไม่ได้ติดในความบรสุดนั่นอีกจะว่ายอย่างไง ถ้าติดก็หิวยังไม่บริสุทธิ์ถ้าพอแล้วไม่หิวไม่ติดไม่ยึดนั่นพอจริงๆต้องต่างต่างอันต่างจริงจริงต่างชิ้นต่างอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนไม่สับสนปนกันนี่จึงเรียกว่าต่างอันต่างจริงจิตจริงเพียงดวงเดียวเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างจริงไปหมดเพราะจิตนี้เป็นตัวพยศคือหาความน้นความนี้ พอหายพะยโยติแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรพระยโยติต่อเรารูปเสียงกลิ่นรสเื่องทัาผัดไม่มีอะไรมันเป็นตัวพะยโยตินอกจากจิตเป็นตัวพะยโยติ้ปรากฏตัวอยู่กับรูปเสียงมงั่งกลิ่งรถอดีตผ่านมาแล้วกี่ตีกี่เดือนมันพั้นมาหมดอนาคตยังไม่ถึงอา้าวไล่มนไป่ะปัจจุบันก็ไม่รู้สึกตัวว่าคิดอะไร น, ะนี่แหละเรื่องก่อเหตุท่านเรียกว่าสมุทัย หารู้ฐานที่ตั้งของเหตุเรียนจบในฐานที่ตั้งของเหตุของผลหมดสิ้นแล้วไม่มีสิ่งใดเป็นที่ยึดถือแต่ไม่ได้ปราศจากสิ่งใหนั่นนำไปตรวจได้นำมาที่เจตน์ทาค ำ, คำพูดอันนี้ขอยติจิตธรรมเทสนาเพียงเท่าน